พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ดสิลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่21กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อเป็นผู้บอกบุญเป็นของผู้กระทา แล้วก็วันนี้เป็นวันที่21เป็นวันโกนเป็นวันปงผมวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่22เป็นวันพระใหญ่เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันมาฆบูชาแต่ก็เป็นวันสําคัญยิ่งในวัดของเราอีกส่วนหนึ่งคือวัดของเราวัดป่านาคําน้อยพวกเราได้ ทำมาหลายๆปีแต่ก็ยังไม่มีกฎเกณฑ์แต่ก่อนหน้านี้ก็คือคุณแม่จีแก้วท่านมรณะภาพไปท่านเป็นต้นตระกูลเป็นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถือว่างานวันเกิดของคุณแม่เป็นหลักพวกเรากระลึกลึกถึงก็ทาบุญครอบวันมรณะภาพของคุณแม่อุทิศส่วนกุศล แล้วก็พร้อมกันเป็นการอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของวัดหลวงพ่อกระประกาศมาโดยสม่ำเสมอจากนั้นก็ได้เราได้สร้างเจดีย์สำหรับบรรจุพระธาตุอธิธาตุของคุณแม่ที่บ้านห้วยสายจากนั้นเราก็ได้ย้ายงานที่เราทําบุญอุทิศไปที่บ้านห้วยสายแต่เดี๋ยวนี้ก็เราก็ทําบุญ อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีที่บ้านห้วยทรายอนนั้นก็ไปนูนแลแต่ในวัดของเราในวัดของเราเราจะทำยังไงหลวงพ่อก็ได้ปรึกษากับคณะจัดทายญาติโยมโลูกหลานภายในวัดก็สมควรยิ่งที่พวกเราจะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวัดของเราเพราะวัดของเราก็ได้สร้างมาตั้งแต่ปีสองสามเป็นปีริเริ่มนะ จนถึงปี 5-9 ปีนี้แหละจากนั้นมากี่ปีให้ลูกหลานนับดูส3งถึงเผู้ที่ได้ร่วมจตุปัจจัยได้ถวายจตุปัจจัยในวัดของเรามากบ้างน้อยบ้างตามศรัทธาบำรุงพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ได้ผู้มีแนวความคิดก็คิดพัฒนาออกแบบแปลนให้วัดของเราก็มากหลายคน จากนั้นก็ผู้ที่ใช้กําลังกายาดายาบบางทําทางเดินจงกลมบ้างปลูกปลูกต้นไม้บ้างอะไรต่ไม่อะไรมากมายจนเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นาจากนั้นจากวันนั้นถึงมาวันนี้ท่านเหล่านั้นก็ร้องโรยไปตามอายุสังขารตายไปหลายคน ถ้าจะนับดูแล้วก็มากทีเดียวเพราะเกิดแก่เจ็บตายแต่ถึงยังไงพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายได้มานั่งภาวนาได้มาบมาเพงบุญกุศลอย่างวันเนี้ยเต็มศาลาของพวกเราศาลาใหญ่ของพวกเราเนี่ยในวันนี้นี่นแหละก็คือผลงานของท่านเหล่านั้นที่ได้ทำไว้พวกเราได้รับความสะดวกสบายแต่พวกวิญญาณหรือว่า ท่านเหล่านั้นที่จากไปแล้วท่านไปอยู่นสถานที่ใดพวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะมากมายหลายคนและก็พร้อมกันในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราก็ไม่มั่นใจในท่านเหล่านั้นอีกเหมือนกันที่จากไปท่านก็คงจะไม่ได้ทำแต่ความดีอย่างเดียวท่านก็คงจะทาความ ชั่วบ้างติดจิตติดใจอาจจะไปในรับทุกตกทุกใดยากเพราะนั้นพวกเราปีหนึ่งในวัดของเราก็ได้รวมรวบรวมพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอยากจารตุรทิศให้มาร่วมมารวมกันและก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณท่านทั้งหลายเหล่านั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นถ้าว่าดวงวิญญาณใด ตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าหาว่ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ในเมื่อเรารวบรวมจะตุปจัจไทยธรรมได้มากน้อยทางวัดของเราก็เนี่ยอ่อได้ทักเอาถวายพระสงฆ์ เ, เท่าที่จําเป็นจะต้องถวายแต่จํานวนเงินจะตุปจัจที่เหลือหลวงพ่อก็ได้พูดกับคณะกรรมการกันเกินไว้เหมือนกันว่า ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่มาเข้ามาหาหลวงพ่อล้วนแล้วต่เคารพเคารพในองค์หลวงตามหาบัวพวกนั้นจะตกปัจจัยที่ไดมามากน้อยพวกเราควรจะรวบรวมที่มันเหลือจากการดูแลจัดงานถวายพระสงฆ์แล้วพวกเราก็คงจะรวมกันให้เป็นก้อนหนึ่งเพื่อเข้าบัญชีเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา พว่าหลวงพ่อได้รับประกาศในที่สาธารณะชนในวันวางศิลาฤกษ์ที่วัดป่าบ้านตาดทุนกระหม่อมเป็นประธานแล้วก็นะศรัทธาญาติโยมทุกโม่เหล่ามาร่วมฟังหลวงพ่ อ, อบอกว่าหลวงพ่อในรับที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยจะรับห0สบล้านบาทแต่เดี๋ยวนี้ จตุปัจจัยห้าล้านบาททุนก็หม่อมเสด็จมาที่วัดของพวกเราพวกเราก็ให้คุณปอนะ่ะถวายพระ อ, องค์ท่านเพื่อสร้างเจดีไปสองล้านเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังเป็นเน่คําพูดอยู่48ล้านคนะณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นจะตุปัจจัยที่ได้มาวันสองสาวันนี่แหละหลวงพอก็คงจะรวบรวมเข้ามาเป็นก้อนนี้แหละเพื่อจะให้มัน เต็มตื่นขึ้นทีละน้อยละน้อยแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจพูดทางนี้ทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมไม่ต้องหนักใจแทนหลวงพ่อหลวงพ่อคิดดีแล้วหลวงพ่อจึพูดออกไปถ้าว่าหลวงพ่อคิดไม่ดีพูดหลวงปากเขาพูดออกไปลูกหลานจะเคารพนับถือหลวงพ่อได้ยังไงขนาดหัวหน้าก็ยังทําผิดยังไม่คิดคิดไม่ดีได้ไปทะเพราะนั้นหลวงพ่อคิดดีแล้วนะ เพนั้นลูกหลานทั้งหลายจะร่วมสมทบก็ไม่ว่ากันเข้ามาคนมากคนละน้อยแต่หลวงพ่อคิดว่าโค้งสุดท้ายบุญบารมีของหลวงตาคมจะคุ้มครองหลวงพ่อนะเพรานั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะจะตุปัจจัยที่เราไดมามากน้อยก็ น, นะหลวงพ่อก็จะเก็บรวบรวมไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท้าวาผู้ใดใครก็ตามเคารพกูบาจาร์แต่ละองค์จะไปร่วมสมทบ หรือจะไปสร้างไปร่วมที่หย่อนตู้ที่วัดป่าบ้านตาดเลยก็ได้ก็สร้างเจดีย์เหมือนกันหรือไปหาครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ได้เพื่อสมทบสร้างเจดีย์แต่มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะรวบรวมเพื่อจะสร้างเจดีย์ถ้าหากว่าไม่ได้สร้างนะหลวงพ่อที่วัดป่าไม่ได้ไม่ได้สร้างถ้าไม่ได้สร้างวัดป่าบ้านตาดก็มาสร้างวัดเราลนะ่ะ ออาจจะสร้างที่วัดเราเป็นเจดีย์ของหลวงตาเหมือนกันไม่ใช่เจดีย์หลวงพ่ออินนะเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตานะพราหลวงตาก็มาช่วยเหลือวัดป่านาคําน้อยของเรามากตัวมากนะทั้งกําแพงทั้งสระน้ําทั้งลายอะไรหลายๆอย่างอืเพราะนั่นจะตุปัจจัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจะถึงยังไงเมื่อเราทําไปแล้วนะบุญกุศลเหล่านั้นใช่วัตถุนะั้น เพื่อจุดประสงค์อะไรแต่นามธรรมคือบุญกุศลที่พวกพวกเราเสียสละทุนทรัพย์ของเรานะจะไหลเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าใครทําความชั่วความชั่วก็จะไหลเข้าจิตใจของพวกเราถ้าเราทําดีความดีบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราให้คิดดีทดําดีพูดดีเอาไว้เมื่อคิดดีทดําดีพูดดีแล้วบุญกุศละ ที่ทำดีนะั่นจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเรานึกขึ้นมาเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นไปเกิดในภพภูมิใดก็เป็นภพภูมิที่ดีเพื่ะไรเพราะบุญกุศลของพวกเราเป็นเครื่องเกื้อกูลห น, นุนแต่ถ้าว่าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีนะั่นจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราอีกพวกเราจะได้ตก นรกหมกใหมไปอีกเพราะนั้นการที่สร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อไม่ได้คิดว่ายอย่างอื่นสร้างเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายเองถ้าพวกเราไม่สร้างก็ไม่ว่ากันก็ไม่มีอะไรแต่แต่พวกเราสร้างพวกหลวงพ่อว่าทั้งพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตไ ด, ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไป พอถึงอย่างไรพวกเราก็คิดดูแล้วชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราปูา่ย่าตายายวงศ์สาขาญาติของเราไปที่ไหนพวกเราก็จะเดินตามหลังท่านเหล่านั้นละไปแต่พวกเรามั่นใจไหมในหลักของพุทธศาสนายืนยันแล้วยืนยันอีกตายแล้วไม่สูญจุดนี้แหละพวกเราต้องศึกษาถ้าตายแล้วสูญไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรก็ได้พาตายแล้วสูญไปทาทาไมทาให้โง่ทาไม แต่เมื่อตายแล้วไม่สูดเนยหลักของพุทธศาสนาท่านพิสูจน์มาแล้วตั้งสอง0อกว่าปีมาตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มันแต่สายอื่นหลวงพ่อไม่ว่าไม่ว่านะสายอื่นหลวงพ่อไม่ว่าแต่หลวงพ่อศึกษามาสายหลวงปู่มันสายของครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยสายหลวงปู่มั่นปู่เสาหลวงตามหาปัวหลวงปู่ล่า ผู้บาอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวล้วนแล้วแต่ท่านยืนยันเป็นคาเดียวว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเนะื้อลูกหลานนะศรัทธา ญ, ญาติโยมพระเนนนะอยากจะรู้ให้นั่งภาวนานะถ้านั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจิตใจรวมแล้วนะ่ะจะรู้ได้กายกับใจใจกับกายจะเห็นได้ชัดเพราะนั้นตัวใจนะั่นน่ะตัวนามธรรม หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบวันพุธพอ่อทุกวันนี้มันคนใช้รถเยอะนะหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้ฟังอีกอโซ่ใจเหมือนกับโซฟเฟอร์รถนะลูกหลานนะร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนโซฟเฟอร์รถแต่ใ น, นหลักธรรมคำสอนของพุทธท่านให้ความสำคัญเรื่องโซฟเฟอร์รถมากกว่ารถถ้ารถมันจอดเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่คนโซฟเฟอร์ขึ้นไปขับเท่านั้นนะ เหยียบเข้าไปชนใช้ชนขวาชนกู่ชนคนนี่แหละเวลาเขาจับรถนะเขาไม่ได้จับรถแล้วก็จับคนนะจับโซเฟอร์รถไปขังคุก ข, ขังตลาดชนซูโซฟร์รถเป็นคนผิดเนี่ยรถไม่ได้ผิดซอซอโฟเป็นคนผิดนี้ก็เหมือนกันในหลักทําความสวนของพุทธะนะให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจ ถ้าคนไปทำอะไรออกไปแต่ใช่เขาั้งจับทั้งรถไปขังไปขังไว้เพราะเขาจับดวงวิญญาณไม่ได้แต่เมื่อตายไปแล้วนะดวงวิญญาณออกจากร่างนั่นแหละเขาจะจับดวงวิญญาณนะั่นไปขังไปทรมานไปจับโซเฟอร์ไปขังคุกขังตลาดเลอถ้าโซเฟอร์ทำไม่ดีกันนะใช้นี่ใช้ศีลเขาละแตนี่ ไปเกิดได้พบภูมิต่างๆพวันนั้นขอให้พวกเราทุกลูกหลานทุกคนให้ศึกษาในจุดนี้นะแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทางนั้นกคอย่าเพิ่งเชื่อนะให้ศึกษาซะก่อนเพ่อหลวงพ่อศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนเป็นหลวงปู่ของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อได้ยินมายางไงได้รับรู้มายางไงปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมาจางไงหลวงพ่อกมาเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังได้ศึกษา แต่เมื่อลูกหลานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ให้นำมาคิดนำมาพิจารณามานั่งภาวนาดูอีกสิอย่างที่หลวงพ่ออินพูดเนี่ยมันจริงไหมฮะเออไม่ใช่ว่าคาดกระเนื้เดาเอ า, เอาประมาณการนะไม่ใช่นะเรียนรู้จะรู้ทีเดียวไม่ใช่นะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ผู้ทําจิตใจให้สงบเท่านั้นจึงจะรู้ได้พวกเราจิตใจสงบไหมถ้าจิตใจสงบแล้วไม่ต้องถามหลวงพ่อเออถ่า หลวงพ่อพูดทีนี้เพื่อเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วอยู่ณสถานที่ใดได้เมื่อฟังจากหลวงพ่อไปแล้วพวกเราจะยกมือท่วมหัวเลย oh, โอ้หลวงพ่ออินท่านไม่ได้ฟังจากหลวงพ่ออินพูดเราคงไม่ได้ใส่ใจสนใจแต่บัดนี้หลวงพ่ออินพูดเราได้ปฏิบัติดูแล้วจริงฮะนี่แหละจากนั้นพวกเราก็จะยกมือไหว้หลวงพอ่อว่าหลวงพอ่อแนะนําจริง แต่หลวงพ่อไม่ได้อะไรจากพวกลูกหลานนะลูกหลานจะเชื่อในจริงในใจของลู ก, ลกหลานนะลูกหลานเป็นคนดีปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบหลวงพ่อก็มีแต่ดีใจกับลูกหลานเท่านั้เองหลวงพ่อไม่ได้แบ่งได้แบ่งเสียไม่ได้แบ่งบุญจากพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายได้เต็มๆในการสร้างบุญสร้างกุศลคิดถูกทําถูกพูดถูกมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่จิตใจของลูกหลาน แต่หลวงพ่อมีแต่เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวเท่านั้นเองบางทีก็ใช้เวลาบ้างบางทีก็นั่นเงื่อแตกเงื้อไหลมือนกันอบรมจัตถายาโยมพี่น้องลูกหลานกวจะให้ลูกหลานเป็นคนดีเออเป็นคนดีคิดดีทำดีในหลักพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธนะอย่างหลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ใช่สมัครใจพูดทีเดียวนะเพราะหลวงพ่ อ, เ, อเป็นพระเป็นผู้อยู่วงในเป็นพระในพระพุทธศาสนา เะหลวงพ่อมีอะไรกับแนะนําบอกกล่าให้กับคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังแล้วก็พร้อมกันเย็นนี่เนาะเย็นนี่แหละพวกเราก็จะได้มารวมรวมกันในศาลาหลังนี่แหละศาลานอกนี่แหละเราจะทําพิธีที่นี่อพอประมาณสักหนึ่งทุ่มเราก็จะเริ่มไหว้พระอเมื่อเริ่มไหว้พระเสร็จแล้วก็อ หลวงพ่อก็คงจะขึ้นให้สินให้สินเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะกล่าวตอนรับขับสู้พี่น้องประชาชนศรัทธายาจโจมมาจากจาตุโรเทศว่า ง, งานของเราวานันงา น, งานวันนี้มีจุดประสองค์อะไรมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไรที่พวกเรามาร่วมกันทำบุญในวันนี้คราวนี้หลวงพ่อก็จะได้บอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาจโจ เป็นการกล่าวสมโภชนิยกถาจากนั้นเมื่อจบแล้วพระสงฆ์ก็คงจเจริญพระพุทธมนตรเจริญพระพุทธมนตรใช้พระปริตะมงคลจากนั้นก็คงจะแยกย้ายกันหรือว่าใครจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศาลาหลังนี้ก็ได้แต่ว่าทิ้งยังไงก็ขอให้พวกเราคณะัตหายา จ, จมลูกหลานทุกคน ควรจะมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้าผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะมีศีลอุโบสถให้รักษากายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันพุ่งนี้วันพุ่งนี้เป็นวันวันที่22อนะตอนเช้าพวกเราก็คงจะตับทำบุญตักบาตรเหมือนพวกเราเคยทำนั่นแหละอบซาลาหลังนี่แหละ หรือทำาอนโคลนมากก็ทำเป็นสองสายกระสุดแท้แต่คู่บาคะกรรมการจะช่วยกันดูแลกับพี่น้องประชาชนเมื่อตักบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาไปจำที่แต่วายพัฒนาหารอุทิศสวนกุศลและทีนีเ่เป็นการกล่าวอุทิศสวนกุศลจากนั้นพระมาจากอย่างจา ก, จากต่างถิน่นต่างแดนพระในวัดของเราเนี่ก็ถวายจตุ ป, ปัจจัยไทยธรรมมีพระมีจตุป มีปัจจัยถวายบุใบายประเวณาในพระสงฆ์ที่มาจากจาตุรทิศมาจากต่างถิ่นจากนั้นพวกพระสงฆ์ทางหลายเกาะตรงพ่อคงจะได้กล่าวปารับเรื่องงานอีกรอบหนึ่งสักน้อยนึ่งเพื่อให้คณะัทหา ญ, ญาจโยมอย่างวันกล่าวอย่างเดียวนี้แหะให้คณะัตหา ญ, ญาติโยมได้รับรู้รับทราบว่างานของเราวันนี้มีจุดประสงค์อะไรมีความ อย่างไงอุทิศสวนกุศลอย่างไงลุงพ่อก็จะในโน้มน้าวบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้อะไรรับรู้รับทราบจากนั้นพระสงฆ์เกาะนุมโมทนาให้พรเสร็จแล้วก็เป็นเสร็จพิธีแต่วันพุ่งนี้จะมีการไหวพระรับศินด้วยนะศีนอุโบสถเพราะว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาคือคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ประกาศพระศาสนาพระ ส, ส, ระสงฆ์เยอะขึ้นมาแล้วต่างองค์ก็ต่างไม่มีกฎระเบียบวินัยแต่ท่านองค์ไหนได้สำเร็จเป็นพระอรหันแล้วท่านก็ไม่คิดละคิดคิดชั่วก็ไม่มีแล้วจะทำชั่วแล้วจะพูดชั่วได้ยังไงเพราะท่านเป็นพระอรหันแล้วนะเป็นผู้บริสุทธ์พุดพองแต่ถ้าพระพุตุชนยังมีอยพระเหล่านั้นก็คงจะคิดไม่ดีทาไม่ดีพูดไม่ดี เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็บัญญัติวินัยนี่ะวันเดือนสามเพนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตั้งวินัยเรียกว่าประกาศกฎรัฐธรรมนูญปกครองสงฆ์วันเดือนสาม เ, นเนน พ, พเเนพระสงฆ์เข้าในที่ประชุมวันนั้นพ3 0 0 1250นร้อูในตอนบ่ายนี่แหละในเมื่ อ, อพระสงฆ์ เข้ามาประชุมพร้อมกันพระโอคุบัญญัติเกี่ยวกับวินัยปกครองจากนั้นก็ให้พระสงฆ์สวดพระปฏิโมกข์แต่พระองค์ให้โอวาดอันชุดท้ายว่าอากคตังดุกตังเสยโยปัจชาตปฏิดุกตังยยตตกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเมื่อกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแล จะเดือดร้อนเมื่อภายหลังท่านก็บอกว่าสัจจิตะประโยคน์นับปานังเอตังพุท ธ, ธานัสสสนังอนุปวาดตอนุปคาตวปาติโมกเเกจะสังวโรโณ อ, อันนี้ก็คือพระพองค์บอกว่าการคิดการทำการพูดไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเรา เ, เป็นคนดีเนรโอวาทัาปติโมกของพระพุทธเจ้า ในวันให้วันเดือนสามเพ่เนี่ยเพราะนั้นถือว่าเป็นวันเพระพุทธศาสนาเหมือนกับกฎรัฐธรรมนูนเมื่อสอพศส 2.575 ดกฎรัฐธรรมนูนปกครองประเทศไทยลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือปกครองคณะสงฆ์ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่านี่แหละมีกฎกติกา ถือว่าวันวันที่ยีสองวันพุ่งนี่แหละเป็นวันสําคัญยิ่งเพราะนั้นพวกเราได้ทําบุญในวันสําคัญยิ่งอีกต่างหากทําบุญวัตถุส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวและก็พร้อมกันกับเป็นวันมาฆบูชาพอตกตอนเย็นวันที่วันพุ่งนี้ะพวกเราก็คงจะมีการไหว้พระเสร็จแล้วก็คงจะกล่าวคําถวายบูชา วันมาฆะบูชาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเคยทำจากนั้นพวกเราก็ได้เวียนพระทักษิณรอบศาลาคงจะมาทำที่ศาลาหลังนี่แหละศาลาหลังนอกนี่แหละแต่ว่าพี่น้องประชาชนจทหายาิโจมผู้ใดที่จะมาร่วมเวียนเทียนพระทักษิณวันมาฆะบูชาก็มาได้นะที่ศาลาหลังนี้จากนั้นก็ เสร็จแล้วก็มีการกล่าวอะไรให้พวกศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ฟังจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติใครจะปฏบิบัติบูชาตลอดทั้งคืนก็ยังได้วันพุ่งนี้นะปฏิอามิตรจะบูชาพวกเราก็ทํามามากให้ทานยังไงรักษาศีลอย่างไรเอราขัดมาปฏิบัติมาแต่ว่าปฏบบิบัติบูชาคืนนั่งสมาธิเอามันทั้งคืนเลยนะเอะไม่ให้สงใจออกนอก ให้ใจอยู่กับตัวเองให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวหลวงพ่อบอกว่าถ้าาว่าพวกเราคนทั้งหลายโลกทั้งโลกเขาเน่ยถ้าส่งข้าวไปขายต่างประเทศส่งรถไปขายต่างประเทศส่งมันส่งสินค้าไปขายต่างประเทศนับไม่ถ้วนเมื่อส่งสินค้าไปขายมิจะได้กาไรนะขาดทุนก็มีมีอยู่แต่ก็น้อยทําขาดทุนเขาคงไม่ทํา แต่สินค้าทุกตัวเขาได้กําไรพูดอย่างนั้นได้เขายัางส่งสินค้าไปขายไปขายต่างประเทศแต่พวกเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาศาสนาแนตะ่ฆ่าท่าใครนะแต่องค์ใดก็ตามพระองค์ใดก็ตามส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกมากทั้งวีทั้งวันองค์นั้นขาดทุนนะขาดทุนปนปี้เลยอย่างนันเออมีแต่ศีรษะโล้นกับผ้าเหลืองเท่านั้นเองอยู่หุ้มกับตัวขาดทุนไม่มีอะไร ยังเหลือแต่เนี่แหละแต่ในจิตในใจร้อนยิ่งกว่าไฟไปอีกเพราะนั้นให้พวกพระเนนก็ดีศรัท ธ, ธาญาติโยมก็ดีให้มีสติอยู่กับตนเองถ้ามสีสติอยู่กับตนเองนั่นล่ละเป็นผู้มีกำไรไนะนะเทนีเ่เพราะนั้นการกาไรของพระของเนนของญาติของโยมผู้มาปฏิบัติธรรมนะไม่ได้อยู่ที่ไหนนะถ้ามีสติอยู่กับตนเองนั่นแหละเป็นผู้มีกำไรอยู่ตลอดเวลา ถ้าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเมื่ อ, อไรก็เมื่อนั้นแหะขาดทุนถ้าส่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดทุนมากเออไม่เหมือนส่งสินค้านะแต่ส่งสินค้าเนี่ยเขายังได้กาไรมาแต่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเนี่ยมีจตขาดทุนถูกเดียนะลูกหลานคณะจต่าญาติโยมนะต่อ น, นี่ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนเอเนอนะ